เป็นวันมาเป็นวันที่เจ็ดวันนี้เป็นรุนแรงนะวันออมปรสดไม่ลงทุกอย่างทั้งจามทั้งน้ำมูกน้ำไห ล, ลโอ้ฉันยาฉันถือชันถึอสไลด์มันก็ไม่อยู่หรอกทำไมคร บ, บหกวันเจ็ดวันไอ้นี่ขนาดเราฉีดยาไอ้ฉีดวัคซีนกันไข้หวัด การไข้หวันใหญ่นะมันก็ยังเป็นอยู่แต่มันเป็นไม่รุนแรงนะฉีดยาวัคซีนมันเป็นอยู่แต่มันไม่ลงไอปกติถ้าเราไม่ฉีดเนี่ยมันจะลดไอไอจนจะเป็นจะตายนะไอ <c oughs> วัคซีนฉีดได้ทั่วๆไปน้อ ง, องวศเราก็มีฉีดแค่ร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยห้าสิบมัง้ง เข็มลถ้ตคนเป็นบ่อยเป็นตะฉีดอยู่วัคซีนไข้หวัดใหญ่กันไข้วัดใหญ่วัดใหญ่ทำไมแพงไปปล่อยเปญกนดีกว่านอะฮะแพงโพษรเห็น่าตั้งใจฟังนะบุญเกิดขึ้นจากการฟังนี่มันไม่ใช่ธรรมดาธรรมดาเพราะการฟังนี่ทำให้เราได้ปัญญานะ สุ ส, สังะปติปัญญาฟังด้วยดีย่งให้ปัญญาสุตตามยปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังเป็นอีกนโนงเอียงทำให้เราเกิดปัญญาสุตตามยปัญญา <c oughs> จินตามยปัญญา <c oughs> ฟังแล้วท่านให้เอาไปใคร่ครวน เป็นจินตามยปัญญาครับแต่ถ้าจะไปปฏิบัติให้เป็นจริงเป็นจังขึ้นมาต้องนําสู่การปฏิบัติที่เรียกว่าเป็ดภาวนามยปัญญาเราใช้คําว่านําสู่การปฏิบัติทุกอย่างถ้าเรานําสู่การปฏิบัติมันถึงจะมีผลเป็นปฏิเวทปฏิเวท ถ้าเราจะพูดแบบทางโลกเขาเรียกว่าภาคทฤษฎีแล้วก็มีภาคปฏิบัติเหมือนอย่างที่เ็าเรียนมัธยมหนึ่งสองสามาพอเรียนจบมาแล้วด้วยเหตุที่เราไม่ได้มีภาคปฏิบัติแต่ถ้าเราไปเรียนภาคอาชีพปวชปวสอางเงี้ยก็ถือว่าเป็นภาคอาชีพจบมาแล้วมีงานทำไปสมัคร เชื่อมไปสมัครเคาะได้เป็นสายอาชีพมันมีทั้ง พ, พ, พระภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติพระปฏิบัติก็คือฝึกรมศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเหมือนกันะท่านจงตรัสเอาไว้ประยัิปฏิบัติปฏิเวทประยัดคือเรียนรู้ก็คือพระทฤษฎีเสร็จแล้ว่ามาปฏิบัติเป็นปฏิบัติ เป็นปริญญ์นำสู่ปฏิบัติปฏิบัติเป็นเหตุให้เกิดปฏิเวทคือผลถ้ามีแต่ปริญติไม่มีการปฏิบัติคือเหมือนอย่างรักษาศี น, นี่แหละศีนหรู้หมดอะไรแต่เราไม่เอามาปฏิบัติไม่มีผลศีลแปศีลห้าศีลแปรวมไปถึงศีน 10, สิศีนส2งร้ี่เหมือนกันเราไม่แต่เรียนรู้เฉยเฉยข้อนั้นห้ามอย่างนั้นข้อนั้นห้ามอย่างนั้น แต่เราไม่นำสู่การปฏิบัติไม่มีผลลงละเมิดข้อใดบาปหนักบาปค่อยบาปมากเท่าไหร่ก็จะบาปเท่าเดิมเหมือนเดิมบาปเท่าเดิมบาปเหมือนเดิมเพราะเราไม่นำสู่การปฏิบัติบุญไม่เกิดเราไม่นำสู่การปฏิบัติบุญไม่เกิดท่านเปรียบเหมือนว่าเหมือนอย่างศาลาหรือวิหารหลังนี้ที่เราทำถ้าเราเขียนแบบรู้ที่สุดงามที่สุดสวยที่สุด เราไม่ได้ทำคงไม่สําเร็จรูปมาเป็นวิหารให้เราได้ได้นั่งทำพัดีสวดมนต์นั่งภาวนานั่งฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นี่ก็ได้ยินว่าอุโบสถสามัคคีก็ผ่านมาตรงนี้แล้วอพวกเราภาคภูมิใจหน้าภาคภูมิใจพวกเราเป็นพุทธบริษัทเป็นผู้หลานเหร๋งหล่ น, ลนบ้า น, บ, านบ้านนี้กี่บ้านเนี่ยที่ท่น่าเห็ น, นบ้านโ น, า น, าน้บ้านอะไรอีก นนนชัยศรีบ้านไรอีกโนนฝายก็มาฮอดเนาะอนหวายพวกเราเนาอพวกเราไปถึงกันหมดแหละไปถึงกันหมดแต่พรุ่งนี้คิดว่าจะต้องเยอะกว่านี้ไม่ใช่แค่นี้อพรุ่งนี้จะต้องไปเยอะเก่งเยอะกว่านี้พวกเราลูกหลานชาวพุทธพวกเราไม่ทิ้งศีลไปทิ้งธรรมไม่ทิ้งความอยากได้ผลอยากได้กุศลเข้าสุขใจ มีการงานได้ได้ฟังพวกราเามาช่วยกันมีบนกุบาลอาจมาเจอพระพุทธมนต์แล้วก็ฟังข้ออัดข้อดทำกุบาลอาจารที่ท่านพูดท่านก็ไม่พน้นไม่พ้นที่จะพูดแทรกธรรมะเมื่อกี้แบบท่านอาจารย์เด่นพูดเข้าไปแล้วเทปไปแล้วจบไปแล้วกันหนึ่งที่จริงน่าจะพอแค่นั้นแหละหลวงพ่อเทศแบบสินสมาธิปัญญาคือเก่าแล้ทานคือเก่าแล้ สี่สมาิปัญญาทานคือเก่าเหมือนเก่าเหมือนเดิมแต่มันจะเป็นเรื่องของอะไรเขาตามขอให้เรานำสู่การปฏิบัติเรื่องของฐานฟังแล้วนำสู่การปฏิบัติแต่พวกเราไม่เสี่ยงเปลี่ยมเรื่องการให้ทานทานมาตั้งแต่เล็กๆยังไม่รู้จักปล่อยอย่างวันนี้ก็มีคนเอาอะไรไปถวายเนี่ยให้รูเขาเล็กๆ เ, เ, เอาไปถวาย ลูกมันก็ปล่อยยังไม่เปลี่ยนหรอกคอย จ, จับจับออกจากมือเนี่ยพราะเรามีบุญถึงขนาดนี้นะเกี่ยวกับการทำบุญให้ทานตอนเช้าก็ใส่บาตรหาหลูกเริ่มใส่บาตรตั้งแต่นู่นยังแทบยังไม่ลืมตา <c oughs> บ้านไหนบ้านไหนเราก็ใส่นัใส่บาตรตอนเช้าเตรียมใส่บาตรยืมคอยคุยกันโสกันถามสุขทุกันคอยพระประจกกักโสมาน ว่ท่านจะเข้าไปเวลาเห็นท่านเข้าไปก็ยกมือสะลอนจบใส่หัวหนึ่งปาบุกมิกมุกมิกบุกมิกว่าอะไรอย่างนี้ปราถนาบุญแน่ดูแล้วโอ้นักปืนปี๋ดีมากยินดีท่านก็บินตาบัตผ่านไปบิงองสององก็แล้วแต่บินผ่านไปยกตามคก้นคนอีกยกมืท่วมหัวตามก้นคนอีกกูบาารย์เราระวังใดีนะตุ่นนี่ตุ่นี่นะ ดูตรงนี้ไม่ออกเป็นหนี้ขาแน่น่ะเขปรารถนาอะไรปรารถนาบนุญเพราะฉะนั้นเรารักษาสิ่งเรานําสู่การปฏิบัติสิขาบตุตรวินัยเล็กน้อยก็าตามขนบธรรมเนียมประเพณีครูบาญาย์พาย็บพาถึงตั้งใจถือตามตั้งใจประพฤติตามตั้งใจปฏิบัติตามนะไม่งั้นเราเป็นหนี้เเป็นหนี้เป็นหนี้เนนจ้าบ้าน ชาวบ้านทำบุญทุกวันทุกวันบริจาคพุทธบริจาคเราทำบุญทุกวันทุกวันเราไม่มีอะไรที่จะไปใช้หนี้เขาไม่ไม่มีบุญที่จะพอคู่ควรกับทรัพเขาเราตายไปเป็นควายใช้หนี้เขาเอาไม่มีสติปัญญาไปใช้เอากําลังไปใช้เคยได้ยินเขาพูดไหมทํานาอยู่ข้างๆวัดถึงเวลาตีเพลเดกรองทาทำทำควายส <laughs> งสัยเคยเกิดเป็นพระ เป็นนี่ตายไปไปเป็นขวายใช้หนี้เขาเน่ยยืนฟังสัก่อนระวังใลยดียืนฟังสั ก, ก่อนแ<ม> น, น, กก น, น่ไม่มีบุญคู่ควรกับฐานของเขา<ม>แต่ท่านจะมีหรือไม่มีก็ตามเถอะใครตั้งใจทํจทำได้มากน้อยเท่าไหร่มันก็จะได้เท่ากับสมภาคสมภูมิของเราพระเรียกสอบส่วนของพระนะฮะ เ อ, อ้อย่าไปตั้งความปรารถนาเลยเดี๋ยวพระท่านจะเป็นนี่ <c oughs> ไม่จำเป็นดอกยังไงบุญก็ได้ของเราอยู่นั่นแหละทำมากมา ก, ой, าาก็ได้มากทำน้อยก็ได้น้อยเขาทำอย่างไรนำสู่การปฏิบัติฟังเรื่องทานเราก็นำสู่การปฏิบัติท <th> านร่างกายท <th> านร่งกายทำทาน <th> <th> <th> ทานเป็ถุสี่ของทาด้วยธรรมทานเราก็ทำไปทำด้วยอภัยทานก็ทําไปนี่เกี่ยวกับเรื่องทานทานเสียสละได้ยิ่งดีเสียสละความโลภความโกรธความหลงเสียสละความบิดาทิสยาเป็นอะไรเสียสละความสุขที่จะบื่อบนพึ่งพามเป็นเหตุรําคาญกนนู้นก่อนนี้เสียสละไปตัดความกังวลเหล่านี้ออกก็เป็นทานอริจาคะ ปริจาก์คทางเป็นฐานได้ด้ยกันทานกิเลสแต่เรานึกฐานที่เฉยมันไม่ไปเรากิเลสต้องคบต้องเที่ยวต้องขัดมาสีกันจน <c oughs> ที่สาคัญคือตั้งใจรักษาสินเราตั้งใจรักษาสินให้ยิ่งตั้งใจให้ทานให้ยิ่งติดอยู่แค่ทานติดอยู่แค่สินเราก็ไปสวรรค์ได้ แต่ยังเรียว่าสวรรค์ก็คื อ, อเป็นภพภูมิที่เรารับบุญกุศลกรรที่เราให้ทานมากๆตั้งใจรักษาศีลมากๆตายแล้วไปเกิดบนสวรรค์ถ้ายัางไม่ภาวนาไปหมกอยู่ในนั้นแหละไปหมกอยู่ในสวรรค์นั้นแหละแต่บนสวรรค์นเนี่ยถ้าพระเจ้าท่านไม่สอนพวกเราก็จะไปหมกอยู่ในนั้นแหละถ้าก็สอนให้เลยนั้นขึ้นไปอีกให้ตั้งใจภาวนาถ้าสอนแค่ทานสอนแค่ศีล พวกเราติดแค่ฐานติดแค่สิ่ตายแล้วไปเกิดบนสวรรค์ไปกอกันอยู่บนสวรรค์นั่นแหะแต่ถึงยังไงก็ตามวัดตะสนัสารนี้ถ้าถ้าเราไปยังไม่พ้นเราอยู่บนสวรรค์ก็มันก็ยังน่าอยู่เพราะบนสวรรค์มันเป็นเรื่องของสัจจะเท่านั้นเองทำความดีสมวควรกู้ควรที่จะได้สวรรค์ชั้นไหนจะตุงชั้ น, านดาวดึงชั้นยามาชั้นไหนก็ตามแต่เราคนรจะได้ชั้นไหนเราควจะได้งใจวัดชั้นนั้น แต่ถ้าเราภาวนาใจของเราได้รับความสงบลยแล้วเนี่ยจิตทรงอารมณ์ฌานขั้นหนึ่งขั้นสองเราตายแบบที้บอลจนไปทรงอารมณ์ฌานอยู่มุ่งเลยสวรรค์โหดยันไปเพืเกิดบนพรหโรกมีความสงบมีความสุขอยู่กับอารมณ์ฌานของเราไม่ต้องเสกสมุกาไม่ต้องสิ่งกามไม่ต้องสงิก า, กาเลยเลยเรื่องของกาแล้ว เรื่ององกางมันเป็นเรื่องของรูปของเสียงของกลิ่นของของรสของสมัมผัสความจิตใจเกี่ยวกับราคะกำลังยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสมัมผัสแต่พวกที่เขาไปเกิดในพรมโลกเนี่ยเขามีอารมณ์ภาวนาใจสงบภาวนาใจสงบคือภาวนาอยู่กับอารมณ์เดียวพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธจาได้แค่นี้ ทำให้มันเป็นอาชีิน ก, กรรมเวลาใกล้จะตายเราก็ไม่ลืมพุโทโธพุโทโธพุโทโธจิตสงบสว่างโล่ใจของเราขาดไปตอนนั้นลมหายใจขาดตอนนั้นเราไปเกิดบนพระมโลกเลยสวรรค์หกชั้นไปไม่ต้องไปเป็นเป็นเทวดาหกชั้นไปเป็นเทวดาชั้นพรหมเลยมีความสงบสุขอายุก็มากความสุขก็มากอายุมากกว่าสวรรค์หกชั้นนะ ทนพูดถึอีสมที่เราตั้งอกตั้งใจทำเราเรียนรู้หมดอารมณ์จากที่หนึ่งที่สองที่3มที่สแต่ถ้าไม่นำสู่การปฏิบัติความสมบงบภายในใจจะไม่เกิดจะไม่เกิดเราฟังดูพุทธิย้าท่านแสดงธรรมท่านแสดงทานระถาสีและกคถาเสร็จแล้วท่านกแสดงถึงสวรรค์สักขาถาแล้วก็ท่านแสดงถึง โทษของกาบนสวรรค์ทั้งหมดทั้งหกชั้นทั้งถือว่าเป็นโทษขอมอาอาทิวัฏกถาถ้าพูดถึงโทษของกาบนสวรรค์เขาก็ยังมีการแย่งกามกันนะไม่ต้องพูดถึงเฉพาะรอกมนุษย์เราบนโลกรอกมนุษย์เราแย่งแย่งกามแย่งกามแย่งงานกันทำแย่งที่กันอยู่แย่งบ้านกันอยู่แย่งงานกันทําแย่งตําแหน่งแย่งยศแย่งสักย์แย่งอะไรจะไหมีหมด ในลกมนุษย์เราการทัศน์มีการยืดแย่งมีการยืดแย่งกันอย่าว่าที่มีโลกเราอนะลงบนสวรรค์ยงังแย่งเทวดาสองตอนนะมีเทพธิดาองหนึ่งไป อ, อุปบัติท่ามกลางเส้นเส้นแบ่งว่างั้นเถอะเส้นแบ่งเทวดาต้นหนึ่งกับเทวดาอีกต้นหนึ่งเอ๊มันจะเป็นของใครกันแน่นางฟ้าคนนีนะ้แย่งกั น, กนเลยใช่ไหคนหนึ่งกขาว่าเข า, าขตัว อีกคนบอกว่าของตนเดือดร้อนถึงพระอินให้พระอินทมาตัดสินแต่มันบังเอิญว่านางเทพธิดานางนั้นเองงามมากนางเทพธิดานางนั้นเองงามมากปรีกันเลยมาถามก่อนจะตัดสินใจว่าท่านทั้งสองเห็นเทพธิดานางนี้แล้วเป็นยังไงนี่คนนี้ก็ต้องเป็นของเราอันนี้ก็ต้องเป็นเองอันนี้ก็ต้องเป็นของตนอันนี้ก็ต้องเป็นของตนต่างคนต่างยือแย่งกัน เอาอย่างนี้ดีกว่าเราเนี่ยเราเป็นผู้ตัดสินน่ะถ้าเราไม่ได้นางเ ท, ทพธิดานาง น, น, นี้เราตายแน่แนเลยพระอินคว้าไปเฉยเล ย, เ, ย <c oughs> เห็นไหมนั่นเห็นไหมนั่นะมันเป็นข้อสะท้อนมาถึงพวกเรานี่เลยผู้น้อยแย่งกันเนี่ยแย่งไปแย่งมาแยังมาแยังไปผู้ใหญ่คว้าไปแล้วคว้าไปเฉยเลยพระคว้าไปอยากถูกเสด้วยนะนะ <c oughs> ผู้น้อยจะทำอะไรได้ <c oughs> ไมันเป็นอย่างนั้นนะ เรื่องของโลกมนุษย์เรื่องของโลกสวรรค์มันเป็นเรื่องที่ต้องแย่กกามกันเราไปเกิดบนพรหมโลกเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากแย่กกามกันเราก็เภ า, นาหนายใจรับความสนุกอย่างน้นนอยพุทโธพุทโธมีสติก ำ, ำลังจดจอ่อรับจับทุกระยะทุกเวลาพุทโธพุทโธให้จิตของเรามาอยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวเริ่มหัดทำไปสิบ า, นาันทีอยู่เครื่องหนึ่งไม่อยู่เครื่องหนึ่ง ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆอยู่สักยี่สิบอยู่สักสมมติยี่สิบสามสิบนาทีอยู่สักยี่สนาทีเออเลยขึึ่งไปแล้วอยู่สักยีสห้านาทีเออเลยเลยคขึ้งหนึ่งไปแล้วอยู่สักยี่สิบห้ายี่หนาทีก็ถือว่าใช้ได้ถือว่าใช้ได้จิตเริ่มสงบจิตเริ่มอยู่ใช้ได้ทักไปเรื่อยๆทำไปต่อเนื่องไป 15นาทีก็อยู่ทั้งหมด15นาทีส0สินาทีจิตก็อยู่ทั้งหมดทั้ง15นาทีเพราะเรื่องของสติของสมาธิมันเป็นเรื่องพัฒ น, นาเราทำเป็นประจำนี่มันเป็นการพัฒ น, นาไปเพราะมันเองคือวิบากในเมื่อเราทาเหตุปั๊บมันเกิดผลผลอันนี้ถ้าเรียวกว่าวิบากเราทำเหตุท่าเรียวกว่าสร้างเกราพอได้รับผลขึ้นมาท้าเรียวกว่าวิบากกับวิบากเก่ แต่ธรรมะเหล่านี้เราจะต้องทำเท่านั้นถึงจะเกิดขึ้นได้ไนหะถ้าเราไม่ทําไม่เกิดอไม่เหมือนกิเลสกิเลสเราไม่ต้องทำหรอกมันเจริญรุ่งเรืองมันเจริญงอกเงยขึ้นมนเองถ้าเราจะเทียบ ม, มันก็ไม่ต่างกับวัชพืชวัชพืชที่เราไปปลูกปลูกมันเนี้ยปลูกอ้อยปลูกมันปลูกอะไรที่เราพวกเราไปปลูกปลูกกั น, นสัหน่อยหนึ่งวัชพืชเราไม่ต้องการตึ๊บขึ้นมาแล้ว จะต้องไปเสียตรงนี้ละไปเสียหู้นี้ละนั่นคือวัดจพื้นกิเล่มันเหมือนมันเป็นวัดจพื้นที่มาที่มาทับถมใจของเราเราไม่ต้องตั้งใจสร้างมันหหามันสร้างโดยธรรมชาติของมันเองเป็นเรื่องของธรรมเป็นเรื่องของธรรมนั้นเป็นเรื่องที่จะต้องบังคับบังคับให้จิตของเราอยู่ในธรรมบังคับให้จิตของเราอยู่ในธรรมจิตขอาบังคับได้ เหมือนกระแสของเปลียนเหลวถ้าเราจะเทียบมันไม่ต่างนะครับกระแสน้ำลอยลอยไปตามทิศทางที่มันต่ำกว่าตุ๊กปองตุงต๊กปองลอยไปตามไปทางที่ต่ําแต่กระแสน้ําขาสามารถปรับเปลี่ยนให้ไหลขึ้นสู่ที่สูงได้ธรรมะของเราที่จะเข้าไหลเข้าสู่หัวใจจําเป็นจะต้องปรับให้ไหลขึ้นให้ไหลเข้าสู่หัวใจเพราะฉะนั้นพุโทโธพุธโทโธเริ่มแรกที่เราเริ่มฝึกเริ่มหัดเราจะต้องบังคับใช้อะไรบังคับใช้สตินเนี่ยแหละบังคับ ใช้สัมปชัญญะนี่แหละบังคับใช้ความอดความทนใช้ความภาคความเพียรนี่แหละบังคับใช้ความสังวรสัมรวมระหว่างนี่แหละบังคับพุทโธพุทโธพุทโธเราต้องบังคับบังคับไปบังคับไปก็ปปอยู่ถ้าเราเจริญอย่างนั้นเป็นไอจินของเราผลรายได้เป็นเรื่องของธรรมทำผลบวกของธรรมก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยเพิ่มขึ้นเรื่อย เพราะเราทำเหตุที่รารผลก็จะต้องตามมาเป็นวิบัติถ้าเราถ้าเราไม่เจริญธรรมกิเลสไม่เจริญกามัน ก, กิเลสกรรมบิบัติผลรายได้เป็นเรื่อของกิเลสธรรมกรรมบิบัติผลรายได้เป็นเรื่อของธรรมเราต้องการเป็นผู้มีศีลมีธรรมเราจะต้องเจริญศีลเจริญธรรมเข้าสู่หัวใจของเราศีลก็นำสู่การปฏิบัติเนืองๆบ่อยๆไม่ขาด ทำก็นำสู่การปฏิบัติทำํำใจได้รับความสุบพุทธโธพุทธโธพุทธโธพุทธโธไว้ปล่อยนําสู่การปฏิบัติผลรายได้เป็นเรื่องของธรรมมันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยเพิ่มขึ้นไปเรื่อยถ้าธรรมะไม่มีกําลังไม่สามารถจะตัดกิเลสได้ความอยากนั้นมันมีความอยากทั้งสองอย่างอยากอยากได้ทำก็อยาก แต่พเพราะเหลือมันอยากมาโดยอำนาจด้วยอำนาจของกิริมันจะพาเราฝ่าฝืนกฎระเ บ, บียบสิ่งธรรมมันเป็นเรื่องของเปลี่ยนมันจะทําดึงให้เราไปทําตามในของราราคะของโทสะของโมหะนี่มันเป็นเรื่องของกิริเราต้องพยายามฝ่าฝืนอาำนาจของธรรมมาบีบมาบังคับเหมือนกับขับบังคับน้าบังคับในที่ต่ำขึ้นสู่ที่สูงเราจะบังคับให้ธรรมะเกิดขึ้น ท, ที่ใจของเราในใจของเราเช่นเดียวกันเราจะต้องอาศัยการบังคับ จะต้องอาศัยสติจะต้องอาศัยสมรรถจักรจะต้องอาศัยความอดความทนต้องอาศัยตั้งใจวิรักตั้งใจนัดตั้งใจเวน้นตั้งใจข่่เพื่อเพื่อให้จิตเราสงบระงับไปตามพุนโธพุทโธพุถโ ธ, ธเอ๊เราฟังดูแล้วมันไม่เหลือบาก่างนะที่เราจะบริกรรมให้จิตอยู่กับอารมณ์พุทโธพุทโธพุทโธทำต่อเนื่องไปและมีความสุข มีความเอ่ออิ่มมีความสุขเพระจิตนอยูจ่จิตมึนกอยู่แล้วมีความสุข ด, ด้วยมีความเอ่ออิ่มในตัวด้วยมีความสว่างจิตของเราได้มีสติมีสัมผัสญรยะกำกับดูเหมือนมันจะสว่างหมดทั้งดวงเลยนะช่งไหนระยะใดที่เราเฝ้าให้จิตของเราได้รับความสงบจิตของเราก็สว่างรา่ำเพราะมันมีตัญญามันอยู่ค้าเนื้อกัาตัวแต่ถ้าเราปล่อยให วิชชาโมหะมันเข้ามาครอบจิตของเราทีไรเมื่ดมืดเตึ๊บขึ้นมาทันทีเลยะมืดเตึ๊บมองอะไรไม่ออกมันก็มาช่วยจิตของเราไปใช้แล้วเอาไปยินดีพอใจยังไงเอาไปทําอย่างนั้นอะมีความราคะตัณหาอะไรยังไงก็เอาไปทําอย่างนั้นแหละโอกาสที่เราจะฝ่าฝืนมันนี่ยากถ้าหากเราไม่เคยตั้งใจฝ่าฝืนเราไม่เคยตั้งใจฝึกฝืนอบรมเป็นตามอำนาจของมัน เราตั้งใจให้มันอยู่กับระรมณ์ไปก็ดึงกลับมาไปก็ดึงกลับมาเราก็ทาอยู่อย่างนี้เลยนั่งภาวน า, วาพุโทโธพุโทโธพุทเดินจนงกรมก็พุโทโธพุโทโธพุทโธครูคบาอาจารย์ท่านให้กํา ก, กับได้ลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทรหรือเวลาเป็นเดือนทั้งก็ให้ขวาพุทซ้ายโทขวาพุทซ้ายโทเอาคดำดํารินี้แหลมะมามัดจิตของเราเป็นอารม์ ให้จิตให้จิตเกาะแต่ต้องมีสติมีตื่นรู้อยู่ตลอดมีสติผู้กับตลอดเราตั้งใจทำอยู่อย่างนี้แหละเราฟังดูแต่ว่าพุทโธพุทโธพุทโธจิตก็เราสว่างอยู่ตลอดมันไม่น่าจะเหนือบาปกว่าที่เราจะทําได้เราทําได้อยู่อย่างนี้เป็ น, นอาชีพเวลารำพยนตายเวลาใกล้จะตายเราไม่ลืมพุทโธตายแล้วเป็นคนสงบ ม, มีความสุขมาก ไม่ต้องมายุ่งกับกรรมของคุณไม่ต้องไปแย่งอะไรกับใครหละสุโรคของไข่ของเราผลานิสงแต่ต้องนําสู่การปฏิบัติศีลก็ต้องนําสู่การปฏิบัติทานก็ต้องนําสู่การปฏิบัติศีลก็ต้องนําสู่การปฏิบัติภาวนาสมถะก็นําสู่การปฏิบัติวิปัสสนาก็ต้องนําสู่การปฏิบัติวิปัสสนาก็คือการตั้งใจพิจารณาให้เห็นสาหิให้เห็นต้นต่อ เห็นเหตุก็มันเห็นต้นต่อของมันด้วยเหตุที่เราไม่เคยพิจารณาคิดนึกพิจารณาตามมันเอาไปใช้ได้อย่างสะดวกสบายแต่ถ้าเราเคยกำหนดจดจ่อใช้สติใช้สัจจัญญะกำกับพิจารณารูปปรากฏต่างตาเราพิจารณารูปสัตว์เป็นรูปไม่ใช่เราเห็นเราเห็นเราก็สัตวะเห็นไม่ใช่เราเห็นรูปก็ไม่ใช่เราเห็น รูปก็ไม่ใช่รูปเราผู้เห็นก็ไม่ใช่เราเห็นสักตว์เป็นกิริยาของมันทํางน้ก็มันจดจ่ออย่างนี้ถ้าเราต้องการจะพิจารณาเห็นเห็นเห็นเห็นปัจจัยของมันในขณะที่เราตั้งอกตั้งใจพิจารณาดังนั้นสติของเราก็รูสมาธิของเราก็โรูปัญญาของเราก็โรู้มันจดจ่ออยู่นั้นตัณหามันแทรกไม่ได้เมื่อตัณหามันแทรกไม่ได้ความอยากมันแทรกไม่ได้อุปาฏิหานมันก็เกิดไม่ได้ อุปาทานมันจะไม่ผ่านหัวใจของเรามันเก็บของเล็กประสมน้อยเป็นส่วนผลไม่ได้สักจะว่าเป็นกิริยาเช่นเยว ม, มันกเกิดขึ้นมานั้นก็ดับไปเกิดขึ้นมานั้นก็ดับไปอันนี้คือการพิจารณาให้เกิดความรูอเกิดความตั้งใจการพิจารณาอย่างนี้ท่าเรียกว่าใช้สติใช้สัพเพณญาพิจารณาแต่ครูบาอาจารย์สายป่าเราท่านสอนให้เจริอสมถะแล้วก็ค่อนมาพิจารณา จะสมถะได้ิตของเราได้รับความสุขมากน้อยเท่าไหร่ถ้าค้าเอามาใช้ปัญญามาพิจารณาให้เกิดปัญญาจิตสุบมากเท่าไรเอามาพิจารณาให้เกิดปัญญาพิจารณาให้เกิดปัญญาได้มากน้อยเท่าไร่มันก็เสริมสมถะสมถะส่เสริมวิปัสสนาวิปัสสนาเสริมสมมถะเราก็ทําไปอยู่อย่างนี้แหละจนเกิดปัญญาที่แท้จริงคือปัญญาอียาถึงจะรู้รู้เรื่องกิเลสตัณหาเท่าไรมันแตกหักกัน อยู่ในขั้นที่ว่ากําหนดจุดจอ่จอเจาะดูเนื่องจากว่าเรามีสติแก่กล้าปรราัญญาแก่กล้าเราพอจะรู้เท่าทรนมันพอมันเกิดขึ้นมาเรารู้ทันกระดับเกิดขึ้นมาเรารู้ทันเมื่อกระดับมันเกิดขึ้นมาเรารู้ทรนกระดับงานเหล่านี้มันเป็นงานที่มันโผล่ขึ้นมาที่จิตของเราถ้าเราตั้งใจกําหนดจดจอ่อรูอยูย่มันไม่กล้าแทรกเข้ามาเพราะเราเผลอๆซะหน่อยเดี๋ยวมาพรับเขมาแลนะ้วพรับแล้สนัยพรับเข้ามา ไอ้เผลอเผลอไม่จริงนเราอัยังกําหนดจดจอนแป๊ก็มาพัดทกันหนึ่งปัโอราไปเลยแหะตัณหาหนึ่งหัวใจของเราความอยากหนึ่งหัวใจของเราเราจะไปกำหนดยังไงรู้จักนาะเรื่องของตัณหาหนึ่งหัวใจของเราเรากำหนดดูความอยากตัณหาแปลว่าความอยากความที่ขก่อความที่ยุทียากหัวใจของเราเรากําหนดดูความอยากหัวใจของเรา เวลามันอยากขึ้นมาปั๊บเออมันอยากให้ทานโอ้มันอยากรักษาศีลโอ้มันอยากภาวนาอันนี้เป็นเรื่องของธรรมมันเป็นเรื่องของมักโอ้อยากได้ออยากได้ทำเป็นเรื่องของมักรีบสนองมันรีบรีบตั้งใจประพฤติรีบรตั้งใจปฏิบัติให้มันความอยากแบบนี้เป็นเป็นมักทำให้มากเจริญให้มากทำให้มากเจริญให้มาก แต่ถะอยากอยากลักอยากขโมยออยากผิดลูกผิดเมียเขาอยากกินเหล้าอยากพูดเท็จพูดสนุกนี่จะถือว่าเป็นฝ่ายกินเหลียเป็นฝ่ายสมุกไทยด้วยเหุที่เราคิดนี้แหละคิดไปเรื่อยคิดหนึ่งเดือนคิดบ่อยๆเดี๋ยวก็ไปฆ่าสัตว์ละเดี๋ยวก็ไปลักทรัพย์ละเดี๋ยวก็ไปผิดผิดลูกผิดผัวผิดเมียคนนั้นคนนี้ละเดี๋ยวก็ไปพู ด, ด, ด, ด, นนนนดปอดมดเท็จ มันทําได้แหลนะตั้งแต่คนพื้นพื้ น, นตระสีตระส า, าไปจนถึงหูุเจ้านายใหญ่ใหญ่โตโต่นะเพราะกิเลสมันแทรกอยู่ในหัวใจทุกคนทุกคนยิ่งเป็นผู้ใหญ่มากเท่าไหรย่ยิ่งยิ่งต้องได้มากเท่านั้นมีปัญญาว่าไหรยิ่งต้องได้มากเท่าไหร่ยิ่งโกยได้โกยได้มากเท่านั้นยิ่งโกยได้มากเท่านั้นใครทำไม่มีไม่มีเคยเคยเรื่องว่าเอ้าโป้คนเก่งทำโป้คนรวยทําโป้คนดีทําแต่ถ้าเป็นคนดี ถ้าเป็นคนดีแล้วจะไม่ทํำสิ่งนี้ย่อมรู้จักสินรย่อมรู้จักธรรมเพราะฉะนั้นท่านจึงท่านจึงมีกฎหมายมาสำหรับดีบังคับมาโดยเฉพาะสินธรรมเรื่องของสินของธรรมอย่างเดียวคนมีสินมีธรก็นั่นกลัวกลัวฝากลฝากลัวฝืนกลัวผิดสินกลัวผิดธรรมแต่คนชั่วไม่กลัวอหมสามารถล่อลวงกระต่าทุกระยะทุกเวลาเพ้อไม่ได้ เดี๋ยวหยิบฉวยเผอไม่ได้หยิบฉวยเผอไม่ได้หยิบฉวยนี่คือคนชั่วคนชั่วไม่กลัวไม่กลัวว่าไม่กลัวไม่กลัวบะคนชั่วไม่กลัวบะแต่คนดีเท่านั้นกลัวบะคนดีรู้สิ่งรู้เรื่องสิ่งรู้เรื่องธรรมและไม่กล้าไม่กล้าฝ่าฝืนมีให้ริมมีอัตปัดมีความเกรงกลัวมีความเกรงกลัวต่อมีความเกรงกลัวต่อปะ มีความละอายใจต่อบาปมีรี ก, กับบาปมีอดตปากตับบาปมีความละอายแล้วก็เกรง ก, กลัวเกรงกลัวผลกรรมเหล่านั้นจะตามมาเล่นงานเร า, าบอกสินห้าอย่าก้าลุกนะสินห้าอย่าก้าลุกนะะผู้ที่มีสินมีธรรมแล้วกลัวไม่กล้าลุกละเมือ่อนแต่ผู้ไม่มีสินไม่มีธรรมไม่กลัวบาปวเผลอไม่ได้นะฆ่าสัตว์ัดสัตว์เอาหมดลูกเขาเมียเขาผัวเขาเอาหมดเหลือเอาหมด เพราะสิ่งเหล่านี้มันมีความยากหลักฐานอยในหัวใจของเราเลิกละได้ยากถ้าไม่ไ ด, ถไได้ถ้าไม่ได้ตั้งใจให็นเห็นเห็นปัจจัยของคนที่แท้จริงเลิกไม่ได้ละไม่ได้กินเหล้าเนี่ยกิ น, นเหล้าคนทีเห็นไปกับพระก็แท้แอบไปขึ้นหดไม่ได้กดไม่ได้โอ้ขอสน่อยเถอะขอสน่อยเถอะเดี๋ยวคอยมาโคตมางดมาเว้นทีหลังไปครับ ขลานัาา่นแหละเมาแค่เลยโตดูสิริปเด็กขมันร้ายกาดขนาดไหนกลัวที่ไหนกลัวเวรกลัวกรรมที่ไหนมีฮิริมีอตตปาที่ไหนคําว่าฮิริคือความละอายในใจของตัวเองไม่ใช่ละอายกับอื่นนะคําว่าอตตปาคือเกรงกลัวแปลงกลัวต่อตัวเองเลยนจะจะได้เปรับผลปาดผลกรรมไม่กล้าไม่กล้าฝา่าไม่กล้าฝาับ เห็นเป็นไรไม่เห็นเป็นไรไม่เห็นเป็นไ ร, ไนนไรตายชังยช้งมันต า, ตายชังยช้งมันกินเราตายชัางมันตายช่างมันตายจริงๆเนี่ยตายเพราะเราเออกินเลราแล้วก็ถือว่าเขาถือว่าทําลายสติทําลายสัมปชัญญะของตัวเองเมื่อเหตุที่เรากินแล้วกินเป็นอายยินนี่แสดงว่ากรรมอำํานวยให้เราแล้วเกิดพวกใหม่พกใหม่ชาติใหม่ท่านบอกว่าเป็นคนบ้าใบาวิกลวิการ ไม่สมไม่สมประกอบทั้งด้านสติทั้งด้านปัญญาเป็นคนเงอะงะงะคือไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีอะไรเลยเป็นคนโง่พูดง่ายๆไม่มีสติไม่มีปัญญาร้ายแรงมากไปกว่านั้นนะ่ะมีสติไม่สมประกอบเป็นคนบ้าไปที่คนวิ่การเพราะอะไรเพราะจิตของเราอยู่ดีๆร่างกายของเราอยู่ดีๆแล้วไปเอาน้ำเมามอมอ ง, มองให้เหมาพอเมาไปแล้วเนะี่ย สามารถทำได้หมดผิดถูกผิดชอบเัี้เดีไม่รู้จักไอตอนที่ยังไม่เมาดูเหมือนมีความอายมีความเคารพมีความยำเกรงมีความเกรงกลัวพอเมาเข้าไปแล้วเนี่ยเหมือนกับครูบาอาจารย์ของเรานแหละที่เคยคารมเลยแหละที่เคยกราบไหว้ที่เคยคารมที่เคยยำเกรงเนี่ยไม่มีกลัวแหละไม่มีเกรงไม่กลัวเจอแล้วนะเขามาเจอเราตอนที่เขาเมาพอดีแต่เขาไม่ใช่ลูกศิษย์เรา เป็นคนที่รู้จกักอะไรเฉยโอ้พูดมือถึงเลยโ อ, โอ้พูดเราพูดคําเดียวฟาฟาดไปยังเท่าไหร่ก็ไม่รู้เลยนั่นคือคนเมามันขาดสติขาดสมรจัญญาท่านว่าเหมือนคนบ้าอท่านว่าเหมือนคนบ้าคนดีๆถ้าเจอคนเมาแล้วท่านไม่ถึงสาเพราะคนบ้าคนบ้าอย่าไปถือเหตุ อย่าพึ่ือเหตุเป็นคนบ้ามันก็ทะเลาะ ก, กันเฉยๆนี่คือไม่มีความยุติธรรมไม่มีโบนะะั่งๆไม่มีความเกรงกลัวสิ่งนี้มันเคยเลือกใครพู้ดีผู้ดีพู้ทุบผูดยากพูดจนผููร่างูัวโดยผู้มีศักดิ์ศรีขนาดไหนก็ตามความเมาไม่เคยเปัดีาใครใครกินไปก็เมาทันใครกินไปก็เมาทันกินก็ยากอะไรก็อยากยังดันเปจิกเมาสิเนีย่ยต้องระวังให้ดี โดยเฉพาะปีใหม่เนี่ยปีใหม่เนี่ยมีเขาเจ็วันอันตรายเขาก็เปิดตั้งแต่เมื่อวานนะครับเจ็เนเจ็ดวันอันตรายโน้นเป็นงที่สี่โน้นเจ็ดวันอันตรายต้ไปช่อกมเอช่องกมเอาเจอกำลังปีใหม่ปีใหม่เห็นที่อะไรกาบอกปีใหม่ปีใหม่ก็เปิดลงเริ่มไปตามเขากลับบ้านกับช่อกมกันกินกันแหละโอ้ ขับรถไม่ระวังเสี่ยอันตรายต้องระวังนะในช่วงปีใหม่โดยเฉพาะสินข้อนี้สินข้อสุดท้ายไม่เห็นโทษเลยไม่เห็นโทษเป็นเหตุที่เรากิดนิดหน่อยๆเลยกินกินกินกินเพลินเพลินไปจนลืมเลยบางคนกินจนติดกินจนติดเมื่อก่อนนั้นคนทางานที่วัดยังแอบใส่ไปกินที่วัดท่ใส่ริมโพกระทียมลงไป ไปกินที่วัดต้นๆ ไ, ไปได้ไม่กี่วันก็แบบไม่กล้าไปนะครับแต่เราเห็นเราก็เอาเลยแหลอะอไม่ต้องกินให้เอนเด้อเดินผ่านมาพูดด้วยเท่นั้นแหละรู้โลสไล่ต้อนเลยละคนขาดที่ดีขาโดโถตับปดขนาดนั้นเนี่ยมันจะรู้ดีรู้ชั่วเลยแค่แค่รักได้ง่ายเอนได้ง่ายง่ายแล้วก็ไม่ยอมลกไม่ยอมเอน เสียสับเกิดโรคออกการทะเลาะวิวาสเพราะฉะนั้นปีใหม่เคยสงกรานต์เคยจากนั้นงแต่นัครั้งอันตรายที่สุดเลยคนเมาเมาแล้วนั่งจักรยานนั่งมอเตอร์ไซค์ด้วยเนี่ยอันตรายมากอรถดีรถบรู้จาคธรรมะมาโนโรไปในที่ย่านชุมชนเยอะเยินเปรี้ยงเดียวโอ้พวกกันเป็นสิบสิบคันหนึ่งอันตรายอันตรายมาก นี่คือสี่งสิห้าเนี่ยเราฝ่าฝืนเนี่ยเป็นโทษเนละขฟฟ้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ฝ่าฝืนเป็นโทษเท่านั้นเพราะเราอยากมีผลอยากเมียในสงการตั้งใจสมาทานสี่ต้องนําสู่การปฏิบัติอยากให้ทานนาสู่การปฏิบัติรู้ยิ่งเฉยไม่ทําแล้วไ ม, มไม่มีไม่มีการปฏิบัติไม่มีผลภาวนาก็เหมือนกันได้ยินได้ฟังแล้วเอาไปถือเอาไ ป, ไ ป, ไ ป, ไปพูดเอาไ ป, ไ, ปไปปฏิบัติวันป่าเราบอกมาก ตั้งใจเราพึ่ตั้งใจปฏิบัติปฏิบัติจนจิตได้รับความสงบไม่ใช่ทําสัพเทว่าทําเอาหนาวตายเฉยไม่ใช่ท ำ, ท ำ, นาาทำจนจิตได้รับความสงบสงัดข้างในมีความกระยิมยิ้มย่องอย่างหนึหัวใจของเราแจ่เราจะรู้สึกว่าเรามีที่พึ่งให้กับตัวเราได้ตั้งใจเภาวนาใจได้รับความสงบยิ่งพิจารณาให้รู้เห็นความเป็นไปเป็นมาของาธาตุขันด้วยนะ ก็จะเป็นเหตุให้เรานี่ยละอุปาทาส่วนละเอียดเข้าไปลึกเข้าไปลึกเข้าไปลึกเข้าไปได้อีกรู้ที่ไปที่มาของกายเรายึดละเกินกายเรากายเรากายเราแท้ที่จริงไปเกิดในท้องแม่ไม่มีใครเอเลือดสักหยดเปเกิดในท้องแม่ไม่มีให้เลือดเอาเลือดสักหยดไปเกิดในท้องแม่พอคลอดออกมาแล้วอู้กายเรากายเรากายของพวกเรามาคนที่ถีมันะถึงขั้นว่าฆ่าพ่อข่าแม่ตัวเองไม่รู้เรื่องเลยทั้งทั้งที่ตัวเองได้มาจากพ่อจากแม่ หรือว่าโครงสร้างของเราในการทุกคนได้มาจากพ่อได้มาแม่ไม่มีใครเอาเลื่องสักยศไปเกิดในท้องแม่หาแต่ว่าเราจิตของเราไปจับจองตามบุญตามกรรมที่เราควรจะได้ควรได้ในร่างมนุษย์เราก็ได้ในร่างมนุษย์บางทีคุณสมบัติไม่พอที่จะเป็นมนุษย์ไปเกิดในร่างสัตว์เป็นกระรอกแต่เป็นหมูหมาเป็นไกนะ่แล้วแต่คุณสมบัติพอจะไปเกิดเป็นอะไรอันนี้คือคุณสมบัติ แล้วคุณสมบัติเกี่ยวกับการไปได้อัตภาพร่างกายเนี่ยก็ไม่ใช่มีอยู่แค่นี้แม้แต่คนร่ําบวยข<ด>นาดไหนก็ตามแต่บางทีมีสินมีธรรมบ้างอยู่แล้วก็แต่้วยความห่วดหงิดทรัพย์เวลาใกลใต้ตายกบไปเกิดเป็นสัก<ด>ไปเกิดเป็นสักพออยู่ได้อยู่ใกล้ๆกับทรัพย์เขาตัวเองจะอยากไปฝางทรัพย์เอาไว้ไปเกิดเป็นห น, นูไปเกิดเป็นหนูไปเกิดเป็น ก็เล่ากับเตะฟองได้กระโดดไปใกล้ๆพอได้เห็นสักของตัวเองนี่แหละสักเราอยู่ตรงนี้สัมเราอยู่ตรงนี้สัมมันอยู่ยังไม่มีใครมาขุดไปยังไม่มีใครมาขุดไปอยู่ตรงนี้โอ้ที่เคยเป็นห อ, อยนี่นคือปูปาทานอุปาทานมันยึดของเราของเราของเราของเราพยายามท่านให้ภาวนาเพื่อละสิ่งเหล่านี้แหละ<ม>เวลาอาสนกรรมใกล้จะมาถึงเรากรรมจวนเกียใรใกล้จะตายเขาเรียกว่าอาสนกรรม วิรกรรมจนเกียนใกล้จะตายขึ้นมาถ้าเราระมัดระวังได้ตอนนั้นเนี่ยเราไปสู่สุคติได้ภาวนาจนใจเบาสบายปลอดโปรง่งเกิดปลืม้มปีติยินดีกิจสงบได้ตอนนั้นเนี่ยถ้าสงบถึงขั้นพระธรมชาญอารมณ์ของชาญชานที่หนึ่งเนี่ยแล้วก็ไปเกิดในพรหมโลกเลยเมื่อถึงขั้นนั้นเราก็ได้ไปสวรรค์สะดวกสบายโลกสะดวกสบายกว่าที่เราอยู่ในโลกมนโลกมนุษย์เรายังเป็นโลก ที่มีมิจฉาทิฏฐิมากมายมาสั้นมั า, ม า, มาต้มมาหลอกลวงมาหักแข้งหักขากันทํำหากินอยู่อยู่กันนี่แหละเบียดเบียนกันอยู่นี่แหละไม่จบไม่สิ้นโกมนุษย์เราถ้าเราพิจารณาไปคือไม่มีอะไรมีแต่แย่งเรื่องการกันแหละแย่งอะไรแย่งสิ่งที่เป็นรูปแย่งที่เป็นเสียงแย่งใบแดงใบเสียอะไรนะแย่งกันนะแย่งไปจะเป็นนิ่งกัน ยังพระเจ้าอยู่หัวกันเนี่ยแหละยังเงินเพราะเงินันเป็นแก้วสารพัดนึกเนี่ยถ้าเราลืมตัวแล้ว <c oughs> เราลืมตัวแล้วมันก็จะทําให้เราเนี่ยลืมเอาไปถึงเอาไปประพฤติเอาไปปฏิบัติถ้าเราไม่ลืมตัวเรานําไปประพฤติเรานําไปปฏิบัติเ <c oughs> พราะไอใ้ใจะได้รับความสงบเราก็ควรตั้งใจทำให้ไดรับความสงบต้องต่อสู้นะไม่ต่อสู้ไม่ได้ดับ พกพาฝ่าฝืนต้องอดต้องทนไม่อดไม่ทนไม่ฝ่าไม่ฝืนไม่บังคับไม่ได้นะบางคนบอกว่าเฮ้ยภาวนาบังคับไม่เป็นบังคับไม่เป็นเราไปบังคับให้ผลมันเป็นมันเป็นไม่ได้แต่เราบังคับให้มันทำเหตุมันไม่อยู่กับพุทโธดึงเข้ามาไม่อยู่กับพุทโธดึงเข้ามาไม่อยู่ดึงเข้ามามันไม่ยอมพิจารณาดูไอ้ตัวที่มันดึงเราไปน่ ดูนั่นนพิจารณานั้นแหละแต่เราบางังคับไปเมื่อไรจะเห็นเมื่อไรจะเห็นเมื่อไรจะสวา่างเมื่อไรสวา่างเมื่อไรจะสงบเมื่อไรจะสงบมันไม่เปลี่ยนดอกนี้เพราะมันเป็นเป็นการเอาความอยากมานําหน้าเอาตัณหามานําหน้าเราตั้งใจภาวนาะเพื่อระ ง, งับดับตัณหาเพื่อรู้เท่าทียตัณหาแต่ในขณะเดียวกันเราบรบรมนั่งพุงแต่ด้วยพฤทธิเดชของตัณหาทํทาไมธรรมะเหานี้จะเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นไม่ได้ คาดคาไปยึดเอาคาดคาดแล้วก็ยึดเอาสิ่งที่เกิดขึ้นคือจอมปลอมเท่านั้นเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคือจอมปลอมคาดคาดเดาเดาแล้วก็ยึดเดาคาดคาดเดาเดาแล้วก็ยึดเอาผลที่แท้จริงนั้นจะปรากฏขึ้นมาเองความสงบก็ค่อยๆสงบขึ้นมาเองเราจะรู้สึกแปลกปราดที่อยูในในจิตของเราแต่เราต้องคาดต้องเดาล่วงหน้านั่นแหละไมแต่องเรื่องการพิจารณาเรือนี้จากทุกอัตนาตาเราต้องคาดต้องเดา ออหัดดูโออันนี้จังเป็นนี้ออทุกขังเป็นนี้ดฆฆดหัดค่าหัดเดาหัดค่าหาดเดาไป ừ ừ ừ เพราะว่าท่านให้ถือเป็นข้อปฏิบัติโยอันนี้จะสัญญาทุกขกับสัญญาอันนี้จะสัญญาอนัตตสัญญาทําการค่าตามทำการหมายอยู่แต่ว่าต้องค่าต้องหมายต้องเดาด้วยการมีสติมีสมยยยัมผััญญะกํากับดูแลควบคุม ไม่ใช่ว่าริษณ์ในของสิ่งเหล่านั้นพาเราเนื้อคิดไปพุท <c oughs> ธเจ้าท่านให้เรียนอยู่สุภาษสัญญาณท่านให้เรียน <c oughs> อัตติกะสัญญาสําคัญว่าเป็นกระดูกอนัตตสัญญาสําคัญว่าไม่ใช่อัตตาไม่ใช่ตูวไม่ใช่อัตตาไม่ใช่ตูวไม่ใช่ตนเรียกว่าอนัตตสัญญาแท้ที่จริงกิเลสคือปัญหาในหัวใจของเรา มันชอบให้เรานึกเราคิดเร า, ยาอยากนู่นอยากนี่คิดให้สมอยากคิดให้สมอยากมันพยายามไปบังคับให้สิ่งนู้นเป็นไปตามความอยากของตีนบังคับให้สิ่งนี้เป็นไปตามความอยากของดีนไม่เคยบังคับอะไรให้ได้สักอย่างหนึ่งเมื่อเราต้องาการให้ไฟดับไฟดับไฟมันจะไม่ดับถ้าเราไม่ไปกดสวิตช์เข้ามันมันจะไม่ดับนี่คืออำนาจของใจของเราใจของเรากับร่างกายของเรามีส่วนเกี่ยวข้องกันอยู่ แต่ว่าเวลาร่างกายปรากฏขึ้นมาแล้วใจบังคับกายเป็นไปไม่ได้บังคับเฉพาะอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนเท่านั้นเองแต่บังคับไม่ให้แก่บังคับไม่ได้บังคับไม่ให้เจ็บบังคับไม่ได้บังคับไม่ให้ตายบังคับไม่ได้ <Like. S 1> ถึงแม้ว่าจะาบังคับไม่ได้เมื่ออํานาจที่ตันหามันมีอยู่ในหัวใจของเรามันก็ยังนึกยังคิดอยู่อย่างนั้นแหะว่าเป็ น, เ, ปนเราว่าเป็นของของเราคิดอยู่อย่างนั้นแหละ ถ <So S 1> ือจะบังคับไม่ได้มันก็คิดบังคับบัญชาอย่อย่างนั้นได้แต่หมายบังคับสิ่งใดมันก็มีทุกข์กับสิ่งนั้นบังคับสิ่งใดก็มีทุกข์กับสิ่งนั้นให้เป็นไปตามใจบองตัวเองบังคับกายไม่ให้แก่น่ากายก็ต้องแก่บังคับไม่ให้เจ็บมันก็ต้องเจ็บไม่ให้ตายมันต้องตายมีลูกมีเต้าบังคับให้อยู่ในอำนาจของตัวเองอยู่ในคําบอกคาสอนของตัวเอง ลกเอ e, รักษาสวยดีไงไปไมมาลูกติดยาบ้าแล้วโอ้ทุกอีกแล้วน่ะน่ะเรามีความอยากสิ่งที่เราต้องการให้เป็นไปตามความอยากของเราเป็นไปได้ไหมเป็ น, ป น, ป น, ป น, ปนไปไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านั้นมันมีเหตุมีปัจจัยขอามันเชนีย่าเราจะปฏิลูกจะไปติยาบ้ามันก็ไปกินกินเข้าปากมันกินเข้าปากลูกกินเข้าปากข้าวข้เข้าไประเทศทอมันก็ไปออกฤทิ์ออกเดชโนม า, ายมีคนมีการไป มากๆเป็นบ้าเขาที่เรียกวิญาณบ้าวญาณบ้ า, บ า, บาไปลองนะลูกหลานอย่าไปลองลองไม่ได้แหละลองไปแล้วนี่บ้าจริงๆล่สมมติเอาไปบําบัดหายอย่างเงี้ยไปบาบัดที่นู่นที่นี่บําบัดแล้วหายแล้วเลยหายแล้วเหลือแต่ทราบ พ, พัฒนาอะไรไม่ขึ้นเยสมองสมองของคนคนนั้นพัฒนาไม่ขึ้นเลยเป็นซุ่มทั้งนู่นเลยนะเห็นมามีเกลื่อนไปหมดเลม เห็นมามีเกลื่อนไปหมดเลยแหละพัฒนาไม่ขึ้นไม่ไม่คืนดีไม่ดีคืนเพ่อแม่เอาแต่ของดบดีมาให้ให้อยู่ให้กินอันไหนดีดีดโอให้ลูกอันไหดีเอเอาไว้ให้ลูกอนนเอาไว้ให้ลูกแต่เราโตขึ้นมาเราไม่รักษาพ่อแม่ฟาดห า, าบา้านฟาดเล่าฟาดอะไระอะไรสารพัด น, นี่คือไม่รักษาพ่อไม่รักษาแม่รักษาพ่อรักษาแม่คือรักษากายของเรา ร่างกายของเราได้มาจากพ่อจากแม่ใครเคารบพ่อครบรบแม่เอาตัวเองไปแสดงพฤติกรรมให้ดีไปใช้พฤติกรรมไม่ดีพฤติกรรมที่ไม่ทิ้งสินไม่ทิ้งธรรมพฤติกรรมที่อยู่ภายใต้อำนาจของสินของธรรมไม่ใช่อยู่อาจใต้อำนาจของความอยากนั้นอยากนั้นุอยากนั้นอยากอะไรก็ทําตามหมดอยากร้อยทั้งร้อยเป็นเรื่องของตัณหาเท่านั้นเป็นเรื่องของเกลียดเป็นเรื่องของตัณหานี่ให้เราพึงระมัดระวัง ความอยากของใจของเรากับสิ่งที่มันจะเป็นไปมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันมันไม่ใช่เหตุปัจจัยเกิดที่ใจของเราจริ้อยู่ร่างกายนี้มันเกิดขึ้นมาด้วยอํานาจกรรมที่มีอยู่ในใจของเราแต่พอเวลามันมันได้เป็นก้อนเป็นแท่งขึ้นมาแล้วเอาใจบังคับไม่ได้บังคับได้แค่อิริยาบถเอาบังคับให้ยืนให้เดินให้นั่งให้หนอนท่านเองบังคับให้อยู่เท่าเดิมได้ไหมไม่ให้มันเปลี่ยนแปลงไปได้ไหมบังคับไม่ได้ เพราะร่างกายนี้อยู่ในวัยเจริญมก็เจริญเจริญเจริญเจริญเจรโตเต็มที่มันก็เสื่อมเสื่อมเสื่อมเสื่อมเสื่อมเสื่อมเสื่อมเจ็ดสิบปีแปดสิบปีเก้าสิบปีร้อยปีร้อยปีร้อยห้าปีมันก็ไม่อยู่แล้วร่างกายมันก็แต่งดับไปแล้วนู่นหลวงพ่อวัดโพี่สมพรเราอายุถึงร้อยห้าปีเพิ่งมรณภาพไปแล้วอยู่เท่าเดิมที่ไหนในสุงหมดไปเราให้อยู่ ให้เขาอยู่เท่าเดิมเขาก็อยู่ไม่ได้ในเมื่อในเมื่อมันเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายต้องวิญญาณตพกพระธาตการที่เราบังคับไม่ได้อย่างนี้เองพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงตรัสว่านีน่แหละอัตตาอนัตตาถ้าเราบังคับได้ควรจะเรียกอัตตาด้่ยเห็นที่เราบังคับไม่ได้นี่แหละอนัตตาอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวเราพยายามดูที่เราบังคับบัญชาไรย์ได้สักอย่างบังคับไม่ได้หรอก ท่านจึงให้ศึกษาให้รู้เท่าที่มันมีและมันเป็นไปของมันตามสภาวะมีอยู่อย่างนี้เองเป็นอยู่อย่างนี้เองอ่าให้ศึกษาอ๋อมันต้องแก่อ๋อมันต้องเจ็บมันต้องแก่เราก็าแค่ชะลอได้แค่นั้นเองมันต้องเจ็บเราก็อาศัยแค่ยุบยาชะลอได้แค่นั้นเองเรามันต้องตายแต่เราก็ชะลอได้ด้วยการบำรุงบริหรรักษาเพียงชะลอชะลอได้แค่นั้นเอง ไม่ให้แก่ไม่เป็นไปไม่ได้ไม่ให้เจ็บเป็นไปไม่ได้ไม่ให้ตายเป็นไปไม่ได้แต่เราคิดว่าไม่อยากให้แก่เพราะว่ามันแก่มาทุกใจแล้วไม่อยากให้เจ็บทุกมาเจ็บขึ้นมาทุกใจแล้วเวลาใกล้จะตายมาทุกใจแล้วเราพูดถึงคนที่เกี่ยวข้องกับเราเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นเต้าเป็นสามีเป็นภรรยาแท่งกันเลยกันฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเจ็บให้ได้ป่วยขึ้นมาอไม่อยากให้เจ็บให้ได้ป่วยทุกคนดูแลเป็นทุก ไม่อยากแก่ไม่อยากให้ตายเอาไปโรงพยาบาลดูพยาบาลดูแลเจ็บไข้ได้ป่วยไปโรงพยาบา ล, นะ ล, บาลทุกขนาดไหนเยอบางคนบางคนบางคนหมดหวังคือช่วยตัวเองไม่ได้เลยหมดหวังช่วยตัวเองไม่ได้เป็นอัมพาตเป็นอัมพาตโอ้ต้องเช็ดอุจจาร ะ, ะปัสสาวะเช็ดอะไรอยู่นั้นแหละเจ็ดสิบปีก็อย่างแล้วแปดสิบปีก็อย่างแล้วเก้าสิบปีก็อย่างแล้วยังมีชีวิตอยู่นั้นนะรักษาดูแลทุกหรือไม่ทุก เป็นภาระท่านจึงให้เรายอมยอมครับโอ้ามันมีจริงเป็นยังไงก็ดูแลอย่างนั้นผู้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นอะไรก็ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกันก็ดูแลตั้งใจดูแลอย่างนั้นอย่าไปคิดเป็นเรื่องขัดเคืองถ้าคิดเป็นเรื่องขัดเคืองแล้วกี่เหลี่มแทรกเข้ามาแล้วเป็นทุกข์เป็นโทษแต่ถ้าเราเห็นว่าโอ้เขาต้องแก่โอ้เขาต้องเจ็บโอ้เขาต้องตายเราดูแลรักษาการดูแลรักษาของเรา ไม่เป็นการดูแลปล่าทิ้งเปล่ามันมีผลมีกุศลมันมีอานิสงส์เกิดขึ้นอย่าลืมว่าเราดูแลท่านท่านก็ดูแลเราเราช่วยเหลือท่านท่านก็ช่วยเหลือเราเราให้ทุกกับท่านท่านก็ให้ทุกกับเราเราให้สุขกับท่านท่านก็ให้สุขกับเราลูกหลานคนใดก็ตามไม่ดูแลพ่อแม่ทิ้งพ่อแม่อยู่ทุกอย่างลำบากคนคนนั้นแหละ <c oughs> พอมีลูกมีเต้าไหวลูกเต้าอะไรอยากทิ้งเราอีกทีหนึ่งเพราะมันเป็นเรื่องของกรรมเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของกรรมกรรมเกิดที่ใจของไข่กรรมก็จะไปสนที่กรรมที่ใจของคนคนนั้นนี่เราพูดมากมายปูพัน์พ่วงไปถึงว่ามีความความอยากความอยากให้เป็นไ ป, นปนตามใจว่าของตัวเองเป็นเรื่องของตัณหาทั้นั้น แต่ถ้าเราอยากให้ทานอยากรักษาศีลอยากประพฤติธรรมอยากปฏิบัติธรรมอยากภาวนาใจได้รับความสงบขอเราเร่งรีบส่งเสริมให้มันนี่เป็นเป็นความอยากโดยมัจเป็นความอยากทางมัจไม่ใช่สมุทัยแต่ถ้าไปอยากเล่นอยากสนุกอยากผิดลูกผิดเมียผิดเมียอยากกินเหล้าอยากอะไรอะไรมันปิ่นเกลียอนกับหลักของศีลของธรรมแล้วให้รีบรู้เท่าทันสงบระงับเอาไว้จ๋อ ไม่อยู่ตรงนั้นแหละเอาจิตของเราจอ่อเข้าไปตรงนั้นแหละพอจ่อไปสันหน่อยเดี๋ยวมันกละลายไปจอ่อลงไปสันหน่อยเดี๋ยวมันกลๆๆๆ็ลลายไปการที่เราตั้งใจภาวนาเนี่ยมันมีอันดีสงตรงนี้นะะ <c oughs> แต่ถ้าคนไม่เคยตั้งใจภาวนาด้วยลเนยไม่รู้หรอกคาว่าจอ่อคืออะไรเป็นยังไงไม่รู้จักอัสติเอาสัมมิจัญญะมากําหนดจ่อให้อยู่กับอารมณ์นั้นมันจ่อไม่ได้หรอกท่านจึงให้ฝึกฝนอบรม การที่เราตั้งใจประพฤติธรมตั้งใจปฏิบัติธรรมนั้นมันเป็นการสร้างเหตุสร้างทุกครั้งทําทุกครั้งมันมีผลตามมามันมีผลเมียในสงฆ์เพราะฉะนั้นพวกเราคิดได้เกี่ยวกับเรื่องอะไรเรื่องทานก็ตั้งใจทําไปตั้งใจรักษาศีลก็ตั้งใจทําไปตั้งใจภาวนาให้ใจได้รับความสงบก็ตั้งใจทําไปตั้งใจพิจารณาเกิดความรู้เท่าทันตัณหาในหัวใจของเราก็ตั้งใจพิจารณาไปแล้วก็ทําไปเพราะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้มีผลเมียในสงฆ์ ผลอ น, นิสงส์ทั้งหลายทั้งปวหล่านี้แหละจะตามอันวยวยัย ใ, ให้บุคคลให้กับเราทั้งหลายได้ประสบผลสงความมู่งมั่ปรารถนาของเราเพราะฉะนั้นการจัดบุญครั้งนี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราได้พัฒนามาพระวัดเป็นปุจ ญ, ญสถานเป็นที่ทาบุญเป็นที่ให้ทานเป็นที่นั่งทำพวัดสวดมนต์นั่งภาวนา พวกเรามีส่วนเกี่ยวข้องมากน้อยเท่าไรพวกเราก็ามีผลมีอนิสงส์ขอผลอนิสงส์ทั้งหลายแบบนี้ตาม อ, อามูรยชัยให้พรกับพวกเราทั้งหลายได้ประสบความสุขความเจริญทั้งปีเก่าทั้งปีใหม่โดยั่วหน้ากันเถึด<า>อิดติตางปฏิตังตูหัง วัสิตจัตุสเพปูเรตุสังกัปฟาจัทมนาสโยยถาณิชฌเระโสยถาสภิติโยวิวัชฌตุสปโรโเวิรัสตุมาเตภวัตวัรณรายโยสุพิธีขายุโกวะอภิวาทนะสีริสเิเพายรุททาปจัยโนจตารูถมาวัตันติอายุ